ทางหนึ่งจิตอาจจะจับลมหายใจวิ่งตามลมหายใจเข้ามาสงบนิ่งสว่างอยู่ในถํำกลางของร่างกายซึ่งในตอนแรกๆเขาจะวิ่งออกวิ่งเข้าตามจังหวะการหายใจปล่อยให้เขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาสินี้ถ้าว่าจิตยังไม่วิ่งเข้ามาในกาย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 ร่างกายก็หายยังเหลือแต่จิตนิ่งสว่างสบายอยู่ดวงเดียวเท่านั้นถ้าหากว่จิตไม่เป็นเช่นนั้นถ้าตามลมหายใจไปสงบนิ่งสว่างอยู่ในท่ามกลางของร่างกายจิตจะมองเห็นอวัยวะภายในภายในกายของเราเองนี่ครอบถ้วนอาการสามสิบสอง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 มันก็ละลายไปเป็นดินส่วนที่เป็นน้าเหลวๆซึ่งมีอยู่ในกายมันก็เป็นไปมันก็ไปเป็นน้ำส่วนลมหายใจมันก็ไปกับลมในอากาศส่วนที่เป็นไฟคกอความอบอุ่นที่มีอยู่ในกายมันก็ไปกับไฟคืนไปหาดวงอาทิตย์ตามเดิม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 แต่มันก็เป็นสิเพียงความสงบต่บางทีเราอาจจะน้อมไปดูโน่นดูนี่มันก็สามารถที่จะเห็นได้แต่สัญญาเจตนามันยังไม่หายขาดไปก็แสดงว่าสมาธิมันเกิดเพราะการจรุงแต่งเกิดเพราะการฝึกให้คล่องตัวจำนิจำนานเราอยากจะให้มันหยุดเมื่อไหร่นิ่งเมื่อไหร่ก็ได้